หากทำมาตามลําดับขั้นด้วยความเพียรพยายามต่อเนื่องอาจจะหลายวันหลายอาทิตย์หรือหลายเดือนถ้าไม่ทอดท้เสียก่อนก็หวังว่าจิตจะรวมลงสู่ความเป็นฌานอันเป็นอันพระพุทธองค์บัญญัติว่าคือสัมมาสมาธิหรือบาทฐานอันส่งเสริมวิปัสสนาอย่างเยี่ยมยอดได้ในที่สุด ข้อดีอันเห็นได้ชัดจากองค์ชานคือทำให้มีความฝักใฝ่ในการปฏิบัติมากขึ้นเห็นค่าในการรักษาศีลและบำเพ็ญเพียรให้แก่กล้ายิ่งขึ้นแต่ข้อเสียที่มักตามมาคือติดสุขจนลืมจุดประสงค์อย่างแท้จริงของอนาปานํมบัปปันวันๆก็จ้องแต่จะให้จิตรวมดวงไม่ตระหนักว่าเพิ่งมาได้ขั้นแรกเท่านั้น ก็จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาแผนที่คือมหาสติปัฏฐานสูตรอย่างท่องแท้ว่าต้องทำอะไรต่อบ้างและควรที่จะหมายเหตุไว้เพื่อความเข้าใจอันดีว่าแม้จะทำสมาธิไม่ถึงฌานก็ใช่จะเป็นตัวชี้ว่าปฏิบัติขาดความสามารถรู้สภาวะธรรมที่กาลังปรากฏเกิดดับหากจิตมีความนิ่นนวน อ่อนควรทรงสภาวะรู้อย่างที่เป็นสติประกอบปัญญาก็มีสมรรถนะเพียงพอที่จะรู้สภาวะธรรมเกิดดับตามเป็นจริงกันดันจะเห็นว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ระบุคุณภาพฌานที่เป็นเงื่อนไขสำหรับการพิจารณาธรรมแต่อย่างใดเมื่อตามรู้ลมหายใจจ น, จนจิตเป็นสมาธิบ้างแล้วเลิกคิดสั้สายบ้างแล้วเมื่อคานึงถึงลม โดยความเป็นของเกิดดับก็จะตรวจสอบตอนเองได้ง่ายขึ้นว่าขณะที่เราคิดไปเองว่าเห็นความเกิดดับหรือเห็นความเกิดดับตามจริงเฉพาะหน้าที่ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในส่วนหนึ่งของอุปมนิสูตรพระสุตตันตปิฎกในเล่มที่แปดว่าดูกราบนิสูตทั้งหลายเรากล่าวแม้ซึ่ง ยะถาภูตยานทัศนะคือความรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามที่มันเป็นว่ามีเหตุที่อิงอาศัยไม่ได้กล่าวว่าไม่มีเหตุที่อิงอาศัยดูกะละภิสษุ์ทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นเหตุอิงอาศัยแห่งยะถาภูตยานทัศนะควรกล่าวว่าสมาธิโดยรวมคืออนาปานํมบับงั้นฝึกแล้วอย่างดีเลิศ อาจให้ผลเป็นสัมมาสมาธิซึ่งจะเป็นขั้นไหนก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนในการปฏิบัติจนเกิดจิตตะวิเวกจิตประกอบด้วยวิตกวิจารปิติสุขเอกัคคตารวมทั้งปัญญาและองค์ประกอบหยับหยาบเสได้เพื่อเข้าสู่ความละเอียดประณีตยิ่งยิ่งขึ้นขององค์ฌานอันพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้แล้วตามลาดับ ผูเริ่มฝึกหัดใหม่นั้นแม้จะมีความเพียนในร่องในรอยที่พระศาสดาวางแนวไว้อย่างดีก็เป็นไปได้สูงที่จะฝืนเพ่งหรือปล่อยมือตามจังหวะอันยังไม่เข้าที่ทางของจิตในบทที่8ในบทที่12ว่าด้วยวิวรณบัพจะกล่าวถึงวิธีแก้อาการเครียดที่เกิดขึ้นบ่อยจากการ เพ่งเกินพอดีสรุปอานาปานบัปแม้จะเป็นส่วนต้นก็ปรุงจิตให้เข้าที่ได้ครบเครื่องทั้งส่วนสมถะที่ทำให้จิตเริ่มอยู่ในอาการเข้าสู่สภาวะที่กำลังปรากฏในปัจจุบันเช่นลมหายใจออกหรือเข้าสงบลงจากการนึกคิดฟุง้งซ่านเพราะแปรอาการคิด ซุ่มเป็นอาการตรองดูลักษณะลมไว้ก่อนกับทั้งในส่วนวิปัสนาที่ทาให้จิตเริ่มรู้เห็นความเกิดดับจริงในส่วนรูปธรรมอันเป็นของหยาบต้องซัดได้ง่ายกว่าความเกิดดับในส่วนของนามธรรมอันเป็นของละเอียดในขั้นต่ อ, ตอไปผู้ปฏิบัติเพียนส่วนนี้ของมหาสติปัฏฐานสูตรได้สาเร็จ จะพบความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเช่นมีความรู้สึกออกมาจากภายในเด่นชัดกว่าปกติซึ่งทำให้เกิดอัตโนมัติขึ้นมาอย่างหนึง่งคือเห็นโลกเป็นสองมิติมิติหนึ่งเป็นความเคลื่อนไหวภายนอกอันเป็นเปลือกไรสาระอีกมิติหนึ่งเป็นความเคลื่อนไหวของจิตอันใกล้กับแก่นสารพุทธศาสนา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 บรรลุมรรคผลโดยอาจไม่เคยฝึกอนาปานสติเพราะบุคคลย่อมบำเพ็ญบารมีมาเพื่อพร้อมบรรลุทำในรูปแบบต่างๆกันแต่ถ้าหากลราวเป็นสากลคือคาดหวังว่าหลักการไปแล้วคนทั่วไปควรฝึกหัดด้วยตนเองเพื่อก้าวแรกของสติปัฏฐานสี่ก็น่าจะให้ศึกษาและตั้งความเพียรในส่วนอนาปานบัปอย่างดี เพื่อปรับจิตให้อยู่ในความพร้อมรู้อย่างถูกต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานสติอันควรไม่แช่ไม่จมไม่อึดอาดไม่พุ่งทยานเข้าจับอารมณ์กระทบต่างๆในรักษายึดมั่นถือมั่นกับทั้งตัวลมหายใจก็สามารถถูกรู้โดยความเป็นของเกิดดับซึ่งเมื่อเกิดความอย่างรู้ตามเป็นจริงแล้ว ก็ย่อมเป็นแนวทางให้พิจารณาเห็นสภาวะธรรมข้ออื่นๆเป็นแบบเดียวกันในที่สุดขอเชิญติดตามรับฟังกายานุปัสนาอิเรยา ปัตถะพุทธพจน์ดูกระภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคือภิกษุเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนรู้ชัดว่าเรายืนเมื่อนั่งรู้ชัดว่าเรานั่งเมื่อ น, อนอนรู้ชัดว่าเรานอน หรือเธอตั้งกายไว้ด้วยกิริยาท่าทางอย่างใดก็รู้ชักกิริยาท่าทางอย่างนั้นๆดังพนานามาชนี้พิสุย่อมพิจารณาเห็นกายภายในกายในบ้างพิจารณาเห็นกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายใน ทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างเทย่อมเป็นอยู่อีกอย่างหนึง่งคือเข้าไปตั้งสติว่ากายมีก็เพียงศัตว์ว่าเอาไว้รู้ สักแต่ว่าเอาไว้อาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้ไม่ถูกตัญหาและทิฏฐิเข้าอิงอาศัยและไม่ถือมั่นอะไรในโลกดูกราพิกษุทั้งหลายด้วยการปฏิบัติอย่างนี้แลภิกสุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เสมอความเชื่อมโยงระหว่างอนาปานัมบับกับอิริยาบุตรขออภัยค่ะ กิริยาปัฏบบในขั้นราดับการปฏิบัตินี้ของสติปัฏฐานสี่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและกลงเกลื่อนกันมากกับอนาปานบับกล่าวคือถ้าฝึกอนาปานบับมาอย่างถูกต้องและได้ผลก็แทบจะเรียกได้ว่าทอนจากการกำหนดสติในอนาปานบับเมื่อไหร่เป็นอันว่าเข้าสูง อิริยาปถบับทันทีเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นก็ขอให้สังเกตว่าเมื่อภาวนาจนกระทั่งรู้ลมหายใจถึงระดับที่จิตปรารถนาน้อยในการเคลื่อนไหวกายปรารถนาน้อยในการแต่งคำพูดเจรจาปรารถนาน้อยแม้ในการนึกคิดไปในเรื่องไร้สาระต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาคือความรู้ชัดเข้ามาในกาย กายอยู่ท่าไหนก็รู้ชัดอยู่ในท่านั้นๆอาการนั้นๆอริยบท4สี่นั้นก็เหมือนกับลมหายใจคือเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ต้องสร้างขึ้นก็มีเองหน้าที่ของเราจึงน้อยก็คือแค่ตามรู้ให้ตรงจริงตรงตามปัจจุบันก็พอหากรู้สึกว่าเป็นไปได้ยากขอให้ลองตั้งต้นด้วยการกําหนด ลมหายใจอย่างถูกต้องเพียงแค่รู้ธรมธรมดาธรรมดาว่าอย่างนี้ลมหายใจออกอย่างนี้ลมหายใจเข้าเพียงสองสามครั้งพอเกิดความรู้จักลมตามเป็นจริงแล้วผลที่ตามมาก็จะเป็นความรู้อิริยาบถไปเองนี่ก็เป็นข้อพิสูจน์อย่างดีว่าสติรู้ลมหายใจแนบสนิททิศเชื้อกับสติรู้อิริยาบถเพียงใด เมื่อรู้ลมหายใจชัดก็ห่างจากความรู้อิริยาบถชัดเพียงแค่อาการกำหนดระลึกนิดเดียวหากพิจารณาเป้าประสงค์ของการฝึกสติตามลำดับขั้นก็คงพูดได้ว่าเราตามรู้ลมหายใจอย่างดีเพื่อมารู้อิริยาบถอย่างเยี่ยมและเราตามรู้อิริยาบถอย่างดีก็เพื่อไปรู้ความเป็นกายทั้งหมดโดยความเป็นของเกิดดับ ไม่เที่ยนเป็นทุก์เพื่อความคลายความวางจากอุปทานยึดมั่นถือมั่นว่าอย่างนี้ของเราอย่างนี้เป็นเราตรงนี้เป็นเรื่องควรย้ำควรทำไว้ในใจอย่างแม่นยัให้เป็นทิฏฐิหรือความเห็นที่สมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มวิจนะนั้นเมื่อสงบสุขจากการฝึกปฏิบัติหนึ่งๆแล้วก็จะเคว้งคว้าง ไม่ทราบจะทำให้พัฒนาและก้าวหน้าต่อไปอย่างไรหรือกระทั่งจะรักษาสติรู้ชัดไว้เพื่อประโยชน์อันใดนักปฏิบัติจำนวนมากสงบอยู่กับลมหายใจถึงขั้นหนึ่งํานานทางในการทำสมาธิให้เกิดขึ้นดำรงอยู่และก็ถอนออกดีแล้วจะรู้สึกคล้ายกันอย่างหนึ่งก็คือพอใจหรืออีกในหนึ่งก็คือพอแล้ว โดยมิได้ตระนักว่างานภาวนาแบบพุทธเพิ่งเริ่มต้นนี่ยังไม่นับรวมอัตตาและมานะของความเป็นผู้สงบผู้ควบคุมจิตได้ดีกว่าคนทั้งหลายอันเป็นผลข้างเคียงของการทำสมถะได้ผลและดังหัวข้อระบุไว้ว่าตรงนี้เราเกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาณาปานบัปกับปริยปัฏฐบัปปฉะนั้นขอให้ลองโมเน ลองมองในมุมกลับบ้างว่าทำสติรู้อิรยิยาบถชัดแล้วก็ย่อมเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้เกิดสติรู้ลมหายใจชัดกว่าปกติด้วยหรืออาจกล่าวไปกว่านั้นทีเดียวว่าถ้าขาดความถนัดในการรู้ลมหายใจเพราะเหตุติดขัดเฉพาะตนก็อาจจะลองหันมาเริ่มตั้งหลักจากการตามรู้อิรยิยาบถ ดูก่อนเพื่อว่าเมื่อรู้อิริยาบถได้ชัดจึงจะเกิดความสงบสุขกายใจกัดแวงน้อยลงใจจูงไปสู่ความสามารถรู้ลมหายใจดีกว่าเดิมคือตามหลักความจริงว่าลมหายใจกับอิริยาบถนั้นเป็นสิ่งถูกรู้ตามกันได้รู้อย่างหนึ่งก็ปล่อยรู้อีกอย่างหนึ่งตามไปเองหรืออาจกล่าวอีกในหนึ่งคือโดยธรรมชาติแล้วจิต ถ้าฝึกให้มีสติรับรู้อะไรอย่างเป็นกลางอย่างธรรมดาได้ถูกจะเริ่มถูกตรงไหนก็ได้ที่สุดก็สามารถรู้อย่างอื่นได้ถูกตามไปด้วยเพราะสิ่งที่เราต้องการเหมือนกันคือรู้ต่างกันรู้สิ่งที่รู้เท่านั้นขอเพียงรู้ได้ถูกรู้ได้จากจุดหนึ่งขอให้ออกไปรู้จุดอื่นด้วยลักษณะเดียวกัน ความแตกต่างระหว่างอนาปานักบักและอิเรียมปัทบักดังกล่าวในบทก่อนว่าการนั่งคู่บาลังทำอนาปานสตินั้นคือการตั้งใจตามดูลมอย่างเดียวซึ่งสถานที่ควรเอื้ออํานวยและท่านั่งควรธรรมะแมนอีกประการสําคัญปกติแล้วจะปิดเปลือกตาลงเมื่อ ก, กำจัดทวาลในการรับรู้ให้เหลือน้อยที่สุด จะได้จับลมหายใจเพียงหนึ่งเดียวเหมือนรบกับศัตรูแบบเดียวต่อเดียวไม่ต้องถูกล่อลวงชักจูงด้วยสึกหลายด้านเมื่อเปรียบกับการกำหนดสติรู้อิริยบทนั่งอิริยบทขอประทานโทษค่ะในอริยาปัธบับแล้วพระพุทธองค์มิได้แนะว่าควรนั่งคู่บัลลังก์นั่นหมายถึงว่านั่งอย่างไรก็นั่งไป แล้วก็ไม่ต้องปิดตาด้วยแต่อย่างที่ชี้ให้เห็นในหัวข้อก่อนว่าการรู้ลมหายใจกับการรู้อิริยาบถนั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทแนบ ก, กันเป็นอย่างยิ่งเรามีสติรู้อิริยาบถนั่งก็ไม่มีความจำเป็นอันใดจะต้องทิ้งขว้างการรู้ลมหายใจเลยนี่คือจะสรุปว่าต่างแบบ กันก็คือต่างการเน้นต่างมุมมองภายในเพาะว่ายังเอาลมหายใจมาช่วยได้ตลอดสมดังพระพุทธองค์ได้ตรัสยกย่องสะลรเสริญอานาปานสติว่าเมื่อทำให้มากแล้วย่อมบำเพ็นสติปัฏฐานสีให้บริบูรณ์ได้คล้ายการฝึกว่ายน้ำอยู่ประการหนึ่งคือขณะยกแขนช่วงมือไปข้างหน้า เราหัดพลิกหน้าอ้าปากรับลมเข้าปอดไปด้วยเราทำสองอย่างแตกต่างกันในขณะเดียวกันเพื่อตัวเองเคลื่อนที่ไปได้การรู้อิริยาบถนั่งทั้งยังรู้ลมหายใจก็เปรียบเช่นนั้นแทนการนั่งยังเกรนบังคับตัวเองว่าจงรู้กายนั่งจงรู้ว่าเรากำลังนั่งซึ่งทา เดียววก็หมดความสุขก็เปลี่ยนเป็นรู้ลงหายใจเพื่อตรึงจิตไว้กับที่เสียก่อนแล้วค่อยเอาความมั่นคงแจ่มใสของจิตกำหนดดูกิริยานั่งไปด้วยนอกจากรูปกายท่านั่งจะปรากฏชัดแล้วยังยึดเวลารู้ความปรากฏเช่นนั้นได้เนิ่นนานอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับฝืนไม่ต้องจดจอ่อ สั่งตนเองให้รู้อย่างผิดปกติซึ่งอย่างนี้จะไม่มีผลข้างเคียงอันเป็นอันต ร, รายใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากเราเอาจิตที่พร้อมจะรู้ไปใช้รู้ไม่ใช่เอาจิตที่ยังอ่อนแอไปใช้งานเกินกำลังสรุปคือในออริยาปัฏบันนั้นถ้ากล่าวโดยเจาะจงลงมาถึงการฝึกรู้อิริยาบทนั่ง ก็ต้องว่าแตกต่างจากอนาปานบับที่กาลึงตาไม่จำกัดเวลาและสถานที่รวมทั้งเน้นมองกายทั่วพร้อมที่ปรากฏเป็นรูปนั่งอยู่แม้มีลมหายใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงก็ไม่ได้เจาะจงรู้ลมชัดเหมือนอย่างอนาปานัปแต่นั่งนั่งไปถ้าพอใจจะกำหนดเน้นมาทางลมหายใจก็ควรรู้ตัวขนาดนั้นอยู่ในอนาปานัป วิจัยอิริยาปบับอีกต่อไปอก <music> ารเจริญสติในอิริยาบถแบบพิกษุในพุทธการ เพื่อให้เห็นภาพตัวการปฏิบัติในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธองค์สารเสินก็จะได้นันทสูตรมาอ้างองิงสูตรนี้กล่าวถึงพิสูจน้นามว่านันทะซึ่งพระพุทธองค์สารเสินว่าประกอบความเพียรอันเป็นเหตุให้ตื่นอยู่เสมอดูกะลาพิสษจนทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ยามกลางวันนันทพิสษจ์ย่อมชำระจิตให้สะอาจจดจากธรรมเครื่องกั้นจิต ด้วยการจงกลมด้วยการนั่งตอนต้นปฐมยามแห่งราตรีชำระจิตให้สะอาดจากทำเครื่องกั้นจิตด้วยการจงกลมด้วยการนั่งในมัชมยามแห่งราตรีสําเร็จศีหาสายยาโดยข้างเบื้องขวาช้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะ กระทำความหมายในยอันจะลุกขึ้นไว้ในใจในปัจฉิมยามแห่งราตรีลุกขึ้นแล้วทำจิตให้สะอาดจากทรรมเครื่องกั้นจิตด้วยจงกลมด้วยการนั่งคงพอเห็นภาพรวมว่าโดยทั่วไปการปฏิบัติธรรมของทิศสุสมัยพุทธกาลที่เห็นด้วยตาเปล่าจากบุคคลภายนอกก็วนเวียนอยู่ในอ r e a บทสี่คือเดินยืนนั่ง และนอนนี้เองทาวันและคืนให้ล่วงไปด้วยการเจริญสติอยู่ในขอบเขตของอเริยบที่โดยที่แตกต่างจากอิรียบทของชาวบ้านอยู่บ้างเช่นเดินนั้นจะเอามาเดินจงกรมไม่ใช่สักแต่เดินย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งส่วนเอิรียบทยืนนั้นจะไม่ค่อยได้เห็น กล่าวถึงไว้ในสูตรไหนว่าแตกต่างจากการยืนสามัญธรรมดาแต่จะเห็นอนุโลมว่าอยู่ร่วมกันกับเดินจงกรมไปในจังหวะหยุดกลับตัวจึงจะกล่าวว่าต่อไปข้างหน้าสำหรับการนั่งนั้นก็ดังเช่นแจกแจงเปรียบเทียบอนาปานับับไว้พิเศษว่าควรกำหนดลมหายใจทำสติให้รู้ถ้านั่งได้แจ่มชัดและเนื่นนานเป็นธรรมชาติ ชนิดต้องนั่งวางขอไปค่ะชนิดต้องนั่งว่างเมื่อใดก็กําหนดกันเมื่อนั้นจนกว่าจะต้องเปลี่ยนไปทํากิจอื่นส่วนการนอนจะหมายเอาการสําเร็จสีห์สายยาหรือนอนท่าราชสีคือนอนตะแคงขวาช้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะกาหนดใจถึงการลุกขึ้นไว้มีให้นอนแผ่ตามอัธยาศัย จะตื่นต่อเมื่อน้ำใจพอดังชาวบ้านทั่วไปไม่จำเป็นต้องเอามือยันศีรษะเหมือนอย่างที่ในไทยเราบางแห่งนิยมถือเป็นธรรมเนียมกันสรุปคือณจุดนี้ควรทำความเข้าใจว่าอริยาบทสี่ในการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่นั้นเขาทำกันเพื่อมีสติแบบเป็นเรื่องเป็นราวดังที่พระพุทธองค์สรศรเสริญ กลานันทะว่าประกอบความเพียรอันเป็นเหตุให้ตื่นอยู่เสมอแล้วก็น่าคิดว่าอิรียบทสีเป็นสมบัติติดตัวเราตลอด24ชั่วโมงไปทุกคนทุกแห่งเพราะฉะนั้นจะได้ชื่อว่าปฏิบัติหรือไม่ก็ดูกันที่มีสติพร้อมและก็มีเจตจำนงกำหนดรู้แค่ไหนมากกว่าอย่างอื่น การเดินจงกรมนิยามและจุดมุ่งหมายของการเดินจงกรมเช่นที่กล่าวไว้ว่าอิริยาบถเดินในความหมายของการภาวนาและมม่งเอาการเดินที่เรียกจงกรม ซึ่งก็คือเดินไปมาโดยมีสติกำกับแท้จริงแล้วจมกลมไม่ใช่ศัพท์เฉพาะที่ใช้กันในขอบเขตพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกเช่นในทีพังกราพุทธวงศ์ก็แสดงให้เห็นว่าพวกพรามซึ่งภาวนาหวังอภินยาก็มีการเดินจมกลมกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วในข้อนี้แสดงทั้งวิธีการและผลอันประสบการ ภายในสอดคล้องกับที่พระพุทธองค์วางลาดับไว้นำหน้าในทุกพระสูตรที่เกี่ยวกับอิริยบทสี่อันเป็นการเน้นโดยปริยายว่าท่านให้ความสำคัญกับการเดินจมกรมเป็นพิเศษพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงระบุหรือแจกแจงพิเศษว่าให้รู้อาการเดินอย่างไรเพียงแต่ตรัสเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินดังนี้เมื่อประกอบกับที่ท่าน ให้ตามรู้ลมหายใจก่อนเอริยาบุตก็พอเห็นได้ว่าท่านให้อสติชัดจากอนาปานะบับมาปต่อยอดเป็นรู้ชัดว่าเดินนั่นเองสำหรับจุดมุ่งหมายของการเดินจงกรมนั้นก็เหมือนกับงานสมถะและวิปัสสนาในอนาปานะบับนั่นคือต้องการจิตที่ได้มาตรฐานตามพระพุทธเจ้ากาหนด คือลักษณะจิตที่พร้อมพิจารณาธรรมอันเป็นฝักฝ่ายให้พ้นจากทุกข์ดังที่ระบุไว้ในหลายแห่งเช่นเว ร, รันชัยสูตรเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ผ่องแพ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วจึงน้มน้อมกิตไปเพื่ออสวกยัจยานารู้จักตามเป็นจริงว่าน้ทุกข มีเหตุให้เกิดทุกข์มีความดับทุกข์ข้อนี้ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ความจริงพุทธพจน์ส่วนนี้หมายเอาผลของการเจริญสมาธิกระทั่งถึงจะตุติฌานมาใช้วิปัสสนาขั้นสูงสุดถึงแม้ ว, ว่าพวกเราส่วนใหญ่ยังทำไม่ได้ในทันทีทันใดอย่างน้อยก็อาจช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบว่าควรจะมีคุณภาพจิตเป็นไปในํานองไหน เพราะจิตมั่นเป็นสมาธินั้นพอประมาณกับเมื่อต้องใส่ใจในหน้าที่การงานหรือการเล่นน า, านๆได้ความผ่องแผ้วของจิตก็พอประมาณกับความรู้สึกเมื่อผ่องสายไร้มนทิงได้ความอ่อนควรแก่การงานพอประมาณกับเมื่อใจเราเริ่มนิ่มนวลไม่ฝืนไม่กระด้างไม่ตื่นเตลดิดเมื่อต้องขยันในสภาวะ ที่ต้องทาให้สำเร็จขอไปค่ะในภาระที่ต้องทำให้สำเร็จส่วนความมีจิตปราศจากอุปกิเหจนั้นอาจต้องขยายความสักเล็กน้อยเพราะมีความหมายกว้างขวางถ้าทำความเข้าใจให้เป็นวัตถุดิบเบื้องต้นก็จะเป็นประโยชน์กับการสำรวจตรวจสอบว่าเราทำสมถะมาดีพอหรือยังยั่มีอุปสรรคเครื่องขวางอันใด ควรกำจัดเสียให้สิ้นเพื่อเต็มภูมิสมระบ้างหรือไม่อุปกิเลสนั้นโดยความหมายแล้วคือสิ่งที่ทำจิตใจเศร้าหมองขุนหมรับคุณธรรมได้ยากซึ่งถ้าให้นึกเอาเองก็คงลำบากเพราะมองดูแล้วมนุษย์คิดอะไรเอ็นึกไปในทางไหนก็มักเป็นเหตุให้เศร้าหมองขุนหมรับคุณธรรมระดับสมาธิธรรม หรือระดับภายในกายใจน่ะเป็นไตรลักษณ์ก็ยากไปทั้งสิ้น